ปุถุชนทั้งหลายผู้มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นปกปิดเอาไว้เนี่ยมีตัญหาเป็นเครื่องผูกเครื่องประกอบเครื่องมัดเครื่องร้อยรัดเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งวัตทุ ข, ของปุถุชนทั้งหลายไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ของพระโสดาบันบอกว่าเอออีกไม่เกินจะดชาติมาสู่ในขันเนี่ยบางทีท่านไม่ต้องมาหรอกแต่นี่พูดแบบอย่างที่เรียกว่ามาแต่บางท่านก็ พอปฏิสนธิในสวรรค์แล้วก็เลื่อนชั้นสูงไปเรื่อยๆแล้วก็ดับขันปรินิพานในพรหมโลกก็มีทีนี้ถ้าหากว่าแทงตลอดอริยสัตว์ครั้งที่สองเรียกว่าเป็นพระสกธาคามีถ้าเป็นพระสกธาคามีแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเนี่ยนะไม่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามีแล้วไม่ต้องมาสู่โลกนี้เป็นโอปปาติกะปรินิพานในโลกนั้นไม่กลับมาสู่โลกนี้เป็นธรรมดาเพราะสิ้นสังโยตห้าเบื้องต่ำนี่นะสิ้นสังโยชน้าคือสกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพตะปรามาัดกามราคะและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีบุคคลโอ้ยปรินิพานในพรหมโลกนนี่นะไปเกิดในพรหมชั้นสุทาวาสถ้าเป็นพระอารหันต ก็ดับขันปริณิพานในภพนั้นเลยอันพระอริยเจ้าเหล่านี้ก็เป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะซึ่งได้ยินได้ฟังศึกษาประพฤติปฏิบัติตามบรรลุอริยสัจธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระตนไตรยอย่าง เพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ดีก็จะทําให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็อย่างว่านะถ้ายัางไม่เป็นพระโสดาบันบุคคลก็เปลี่ยนได้นะนี่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อไรก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจในการนับถือพระพุทธเจ้านะต่อให มีบาสุขนนะเขาบอกว่ า, าถ้าไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณจะเลือกเอาอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปบัณฑบุคคลก็ยอมตายไม่ยอมฆ่าอย่าว่าไก่เลยมดตัวหนึ่งพระโสดาบันก็ไม่มีเจตนาฆ่าเพราะเจตนาเป็นเหตุฆ่าเจตนาเป็นเหตุลักเจตนาเป็นเหตุให้ประพฤติผิดในคู่ครอง เจตนาเป็นเหตุให้มุสาวาเจตนาเป็นเหตุให้ดื่มสุราและเมรัยพระโสดาบันละเจตนาที่บาปหยาบช้าเหล่านั้นได้หมดสิ้นแล้วโดวยโสดาปฏิมักโดยโสดาปฏิมักนันเพาะเพาะเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมไม่มีแล้วสำหรับพระโสดาบันบุคคลถามว่าการศึกษา เรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราปฏิบัติถูกต้องส่วนหนึ่งนะอันนี้พูดถึงประโยชน์ในปัจจุบันอย่างเดียวก่อนนะคือพูดในประโยชน์ในปัจจุบันถ้าหากว่าเราเข้าเข้าถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็จะทําให้เรามีใจศรัทธาเลื่อมใสที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนได้มากขึ้นเท่านั้นอ่าก็เหมือนกับวิชาที่เราส่งลูกส่งล้านไปเรียนตามวิชาการต่างๆทางโลกเนี่ยนะถามว่าวิชาที่เรียนสนุกไหม ส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไม่สนุกถามว่าทำไมต้องเรียนอ้าวก็มีประโยชน์อะเนีย่ยนะมีประโยชน์ต่อวิชาชีพมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตยอยู่ในโลกเป็นต้นนั่นเองในยะนี้ก็เหมือนกันคนถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําให้เห็นประโยชน์เมื่อเห็นประโยชน์ก็จะทุ่มเทศึกษาถ้าศึกษาอย่างถูกต้องก็เป็น การศึกษาแบบเรียกว่านิสรณปริยัตเป็นการศึกษาพระปริยัตหรือพระพุทธพจน์เพื่อพ้นจากวัตทุเนี่ยนะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าเออศีลมีจํานวนเท่านี้สมาธิมีจํานวนเท่านี้สมถะเป็นอย่างนี้วิปัสสนาเป็นอย่างนี้นะอารยมรรคเป็นอย่างนี้ก็จะปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเมื่อปฏิบัติ สมควรแก่ธรรมะนั้นๆได้ก็จะพ้นจากกองทุกได้เนะียเราก็เห็นประโยชน์กันอันนี้เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันที่เพึงเห็นทีนี้ประโยชน์ต่อไปในสัมปรายภพอันนะี้ในโลกนี้คนดีที่สุดในโลกเลยคือใครเราคิดดูนะคนที่ดีที่สุดในโลกเลยเรานึกถึงท่านและจ่ายเป็นบุญเลยหายากหรือหาง่ายเนะี่ย ในบรรดาคนที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็บอกเออคนนั้นเป็นคนดีที่สุดเลยแต่ในบรรดาคนดีเหล่านั้นมีใครไหมที่ดีเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเไมไม่มีหรอกรก็บอกเออคนนั้นดีนะพูดดีพูดเพราะพูดเพราะบางทีก็ไม่มีสาระอยู่ในความความความเพราะเหล่านั้นเลยแต่ของพระพุทธเจ้าทั้งน้ำเสียงเป็นต้นทั้งรูปร่างผิวพรรณหน้าตา แม้กระทั่งอริยะคุณทั้งหลายคุณเครื่องภายในไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนคุณธรรมหรือพยานอย่างอื่นอีกมากมายผู้ที่จะมีคุณธรรมเปี่ยมล้นเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นแค่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็สบายใจแล้วใช่ไหมเอางี้นะเราก็ลองนั่งท่องดูนายกนายกกับพุทโธ พุทโธเนี่ยนะนั่งท่องอยู่ครึ่งชั่วโมงนึกถึงใครแล้วสงบนะนะพุทโธพุทโธสงบกว่าใช่ไหมเมื่อเทียบกันสองคำนี่นะหรือว่าถ้าสวดมนต์กับนั่งเล่านิทานเนี่ยจิตใจอันไหนจะสงบกว่ากันนี่ก็แตกต่างกันเยอะนะสวดอิติปิโสกับพูดคุยถึงคนทั่วไปเนี่ยจิตใจก็แตกต่างกันข้าพราะจิตเนี่ยเบาต่างกันสงบต่างกัน เพราะจิตที่ไปพูดคุยเรื่องอื่นๆเป็นต้นเป็นจิตที่มีโทษแต่จิตที่สรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่สงบปานิษย์เยือกเย็นเมื่อจิตที่สงบปะนิษย์เยือกเย็นจิตก็เป็นจิตที่คล่องควรแกการงานนะจิตที่คล่องควรแกการงานอย่างนี้ก็เบาสบาย คนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมคําสอนก็หยิบยกพระธรรมคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณาดังนั้นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นจึงประเสริฐพระองค์แสดงว่าอัปปามโนพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปามโนธรรมโมคุณของพระธรรมคำํำสอนที่พระองค์ตัดไว้ไม่มีประมาณอัปปามโนสังโฆคุณของสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แพงตลอดอริยสัจจะทำคำสอนของพระองค์นั้น่ะก็ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ตามระลึกนึกถึงคุณของผู้ที่มีคุณธรรมไม่มีประมาณบุญที่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นนะเราเคยฟังเรื่องกรรมมาไม้ยว่าการทำกรรมเนี่ยมีอยู่สี่อย่างลักษณะเออี่อย่างด้วยกัน อย่างที่หนึ่งกรรมที่เราทําบางทีก็เป็นคารุกรรมใช่ไหมเป็นกรรมหนักกรรมหนาสาหัสแต่ของพวกเราใจไม่เต็มร้อยขนาดนั้นนะมั้งเนอะที่จะทำคารุกรรมมีไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระรหันธ์ทำสังฆเภททําพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห่อบาปประกรรมหยาบช้าเหล่านั้นเราทั้งหลายก็ไม่ได้มีใจขนาดนั้นหรอกอันนี้อันนี้คารุกรรมนะคารุกรรมฝ่ายบาปเอาคารุกรรมฝ่ายดีอ่ะ ครุกรรมฝ่ายดีก็คือการเจริญฌานจิตการทำจิตให้เป็นฌานนั้นคนที่ทำจิตให้เป็นฌานได้นั้นคนนั้นจะต้องสังัดจากกรรมวิวิจจกามเมหิวิวิจจอ ก, กุสเลหิก็ต้องสังัดจากกรรมสังัดจากอากุสลธรรมทั้งหลายบารุปถมฌานอันประกอบด้วยปีติและุขที่เกิดจากวิเวก เพราะฉะนั้นคนที่จะได้ฌานนั้นจะต้องสังัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมก็เห็นโทษของกรมเห็นโทษของบาปอากุศลจึงจะเข้าปฐมฌานได้โดยที่มีอาณาปานะลมหายใจเข้าออกเป็นต้นหรือมีอพวกกสินเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์หรือมีมเมตานะ เมตตาที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าพรหมวิหารนั่นแหละเป็นอารมณ์ของฌานเป็นต้นต่อไปอันนี้ก็เป็นคารุกรรมเหมือนกันแต่เป็นคารุกรรมในฝ่ายดีทีนี้กรรมที่ต่ําลงมาน้ําหนักของกรรมที่ต่ําลงมากว่าคารุกรรมเขาเรียกว่าพหุลกรรมผะหุละนี่แปลว่ามากผะหุลกรรมนั่นนะกรรมที่ทํามากหรืออาจินกรรมกรรมที่ทําบ่อยๆเนืองนิด ถามว่าผะหุลกรรมกรรมที่ทําบ่อยกรรมที่ทําเนืองนิดเนี่ยเป็นกรรมในลักษณะใดะยกตัวอย่างนะถ้าคนทําบาปก็ทําบาปติดเนื่องกันยาวๆเช่นฆ่าสัตว์ก็ฆ่าติดกันยาวๆอันนี้หนึ่งนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผะหุลกรรมหรือจินนกรรมเหมือนกันกรรมที่ทําบ่อยๆเนืองๆหรือฆ่าครั้งเดียวแต่นึกแล้วเสียใจบ่อยอันนี้ก็เป็น พหุลกรรมหรืออาจินกรรมเหมือนกันเห็นไะหอ่ายกตัวอย่างหรือว่าคนที่โกหกเป็นปกตินิสัยอันนี้ก็เรียกว่าอาจินกรรมหรือไปโกหกใครไวส้ ส, สักคําเดียวแค่นั่นแหละแล้วตามเสียใจบ่อยๆนึกแล้วก็เสียใจนึกแล้วก็เสียใจตีโพยตีพายบ่อย บ, อ, ยบ อ, ยอันนี้ก็เรียกว่าพหุลกรรมหรืออาจินกรรมเหมือนกันอันนี้ฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดีฝ่ายมีโทษ แต่ถ้าหากว่าเป็นฝ่ายกุศลก็อย่างเช่นการทํากุศลบ่อยๆหรือว่าตักบาตรบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเนืองนิดอันนี้ก็เป็นอาชีนกรรมหรือพหุลกรรมหรืออ่านพระไตรปิฎกบ่อยๆศึกษาพระธรรมคําสอนบ่อยๆฝึกสมถาวิปัสสนาบ่อยๆเนืองนิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพหุลกรรมหรืออีกในหนึ่งนะให้ทานครั้งเดียวแต่ประทับใจจนตาย คืนึกเมื่อไหรก็ดีใจนึกทําให้นึกบ่อยๆดีใจบ่อยๆการให้ทานครั้งเดียวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นพหุลกรรมหรืออาจินกรรมเหมือนกันเดี๋ยวน ะ, ะกรรมนัยะอื่นๆก็ในเดียวกันการเจริญพุทธคุณนี้ก็เป็นประเภทพหุลกรรมหรืออาจินกรรมอันถ้าหากว่าเราสามารถเจริญบุญประเภทนี้ได้บ่อยๆก็สามารถทากรรมที่ทาได้บ่อย ทำได้เนืองนิดการเจริญพุทธคุณไม่ต้องเสียซักสตางแดงเดียวเลยเนีย่ยนะแต่าหากบอกว่าโอ้ยโยมจะเจริญได้ยังไงโยมขาดแคลนทรัพย์เหลือเกินเนีย่ยนะใช่แล้วขาดแคลนทรัพย์คือทรัพย์ภายนอกไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุให้เจริญพุทธคุณไม่ได้แต่ถ้าคนขาดแคลนทรัพย์ภายในก็จเจริญพุทธคุณไม่ได้จริงๆเนีย่ยนะถ้าไม่มีทรัพย์คือศรัทธา ถ้าไม่มีทรัพย์คือศีลถ้าไม่มีทรัพย์คือฮิริโอตตะถ้าไม่มีทซั์คือสุตะถ้าไม่มีทรัพย์คือจาระถ้าไม่มีทรับคือปัญญาก็เจริญหรือตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญพุทธคุณเป็นต้นได้ก็ต้องเป็นคนมีทรัพย์อยู่เหมือนกันแต่ทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นคําว่าศรัทธานี่นะเป็นลักษณะใด ก็ว่าโอ้ยเขาพูดไรเชื่อไปหมดเลยอย่างนี้หรือเปล่าคําว่าศรัท ธ, ธานี่เขาบอกว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุทําจิตให้ผ่องไสธรรมชาตินั่นแหละเชื่อว่าศรัท ธ, ธาคือตัวที่ทําให้ใจใสอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าศรัท ธ, ธาแลแ้วแหมใจมันเศร้าหมองแต่แมาเชื่อเหลือเกินแต่ใจเศร้าหมองวิตกกังวลไปสมหมดเลยถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าศรัท ธ, ธา แต่ถ้าศรัท ธ, ธานั้นท่านธนากเกษตอุปมาเหมือนกับแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิถ้าศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นในบุคคลใดก็จะทําให้บุคคลนั้นใสขึ้นใสก็สามารถที่จะให้ได้สามารถที่จะให้ทานสามารถที่จะรักษาศีลสามารถที่จะเจริญสามาถะเจริญวิปัสสนาต่อไปอลักษณะอันนี้แหละเขาเรียกว่าศรัท ธ, ธาธรรมชาติที่ทําให้ใจผ่องใส ไม่ใช่สักด์แต่ว่าเชื่อเฉยๆแล้วเออคนนี้มีศรัทธามากบางทีอาจจะงมงายก็ได้คลั่งก็ได้แต่ถ้าศรัทธาจริงๆนั้นขณะนั้นใจต้องผ่องใสเอาความผ่องใสแห่งใจเป็นประมาณนี่นะจึงเรียกว่าศรัทธาอันผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีทรัพย์อย่างหนึ่งแหละทีนี้เมื่อมีศรัทธาก็สามารถเจริญกุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าศรัทธามาก จเจริญกุศลประเภทตามและลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมที่ทํานั้นก็เป็นพระหุลกรรมก็เป็นพระหุลกรรมพระหุลกรรมนั้นเป็นกรรมที่มีกํำลังถ้ายิ่งจเจริญพุทธคุณในเวลาใกล้จะอาสันด้วยอาสันนะเราว่าใกล้แล้วใกล้ไหนใกล้จะมรณะนะใกล้จะมรณนะใกล้จะจุติ ถ้าหากว่าจะเจริญพุทธคุณตอนนั้นได้สุขติวังได้เขาว่างนั้นและอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เจริญตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะได้อย่างถูกต้องอย่างมีความรู้อย่างความเข้าใจถ้าไม่ได้ไม่ได้ทำคา ร, กก ร, รนะุกรรมไม่นะกรรมอนี้จะให้ผลนําเกิดแทนใช่ไหมเป็นกรรมที่นับว่ามีกําลังมาก เมื่อเทียบกับกรรมทั่วไปเพราะคนที่เจริญได้มากเท่าไรกุศลนี้จะให้ผลนำเกิดก่อนกุศลเหล่านี้จะไปเป็นอุปชะเวทนียกรรมนำปฏิสนธิในภพต่อไปโอ้ใครที่ปฏิสนธิด้วยจิตที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยรับรองสบายแน่ถามว่าทำไมเพราะ คนนั้นจะมีศรัท ธ, ธาจะมีปัญญาจะมีเฮเรโอตา ป, ปะเป็นต้นอย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีใจกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจึงไปดีเพราะฉะนั้นในในพระไตรปิฎกเนี่แสดงไว้หลายเรื่องมากคนที่ตามเจริญพุทธคุณอยู่เนืองนิดเขาเหล่านั้นจะไม่ไปอบายภูมิเขาเหล่านั้นเมื่อล่วงรับดับชีวิตไปก็ยังสุคติโลกสวรรค์ให้เต็มบริบูรณ์ ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เอาสวรรค์มาล่อนะแต่เป็นเหตุอย่างนั้นจริงๆหรือว่าแหมสวรรค์ไกลเหลือเกินท่านบางคนก็แย่งมาอย่างนี้เอ๊สวรรค์นี่มันไกลเหลือเกินถามว่านรกสวรรค์ไกลไหมโยมเนี่ยนะเราก็คิดดูนะคนที่ตายเขาก็ยังไม่พร้อมตายกันทั้งนั้นแหละยังก็ว่าตายแหมอีกนอนเหลือเกินที่เราจะต้องตายใครเล่าจักรู้ว่าความตายจากมีในวันพรุ่งเนี่ยนะวันนี้พรุ่งนี้ใครจะรู้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ได้เลือกวันเลือกคืนมรณนะสมัยเวลาใกล้าตายก็ไม่ได้เลือกวันเลือกคืนอะไรเนี่ยนะสิ่งที่สัตว์รู้ไม่ได้ก็คือหนึ่งความตายก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรสถานที่ทอดทิ้งร่างกายก็รู้ไม่ได้ที่ไปในเบื้องหน้าก็รู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนที่มีทรัพย์คือศรัทธาศีลสุตะจาฆะปัญญาหิริโอตตปะมีการตามร ล, ลึก ถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆเขาก็เชื่อว่าเป็นคนมีทรัพย์มีอริยทรัพย์ภายในคนมีทรัพย์ภายนอกเลือกซื้อบ้านอยู่ได้ไหมอยว่มาได้ไหมถ้าหากว่าคนมีทรัพย์ภายนอกมีสตังค์เยอะๆเนี่ยเลือกซื้อบ้านอยู่ได้ไหมประเทศไทยเลือกอยู่จังหวัดไหนก็ได้ใช่ไหมเลือกอยู่กรุงเทพก็ได้เลือกอยู่เชียงใหม่หรือว่าเลือกอยู่ภูเก็ตหาดใหญ่เนี่ยนะเลือกไปอยู่ร้อยเอ็สุรินทร์สารครามขอนแก่นอุดรก็อยู่ได้ทั้งนั้นแหละ เพราะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีสตังค์จะสร้างบ้านเป็นตึกเป็นคอนโดเป็นอะไรก็อยู่ได้ทั้งนั้นแหละสร้างเหมือนปราสาทชวังก็ได้เพราะเขาเป็นคนมีทรัพย์เลือกที่ได้คนที่มีอริยทรัพย์ภายในก็เหมือนกันเลือกเกิดได้เนี่ยนะเลือกเกิดในเป็นมนุษย์ที่มั่งมีมากมายมหาศาลก็ได้เลือกเกิดในสวรรค์ชั้ น, นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดี ปรนิมิตวสวัสดีก็ได้ถ้าหากว่าเขามีอริยทรัพย์ในภายใ น, น, นคนที่มีอริยทรัพย์ภายในเลือกเกิดณนะถิ่นใดๆที่ใดๆก็สาเร็จคล้ายๆกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกแล้วเลือกซื้อบ้านเลือกรถใช้เลือ ก, ถอกสถานที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาอาหารการเป็นอยู่การบริโภคเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งตัวเนี่ยเขาเลือกได้หมดเลยเพราะเขามี ซับคนที่มีทรัพย์ภายในก็ลักษณะนั้นเหมือนกันดันั้นการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจึงมีคุณอนันต์ีนะดันะั้นการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นพระคุณหลักๆโดยย่อแล้วก็มีสมอย่างที่กล่าวไปตั้งกระต้นคือ1พระทัวในครั้งหนึ่งนะหพระมหากรุณาธิคุณสองพระปัญญาธิคุณสมพระบริสุทธิคุณ ทีนี้ถ้าหากว่าจะศึกษาคุณของพระองค์ให้พิสดารอีกหน่อยเขาเรียกว่าพุทธคุณเก้าพุทธคุณเก้านั้นอรหัง1นะคำว่าอรหังคนหนึ่งอรหัง 2. สัมมาสัมพุทโธ 3. วิชาจรณะสัมปันโน 4. สุขโต 5. โลกวิทู 6. อนุตตโรปริสธรรมมา